أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ر ج ي م بسم ا ل ل ه الرحمن الرحيم الحمد ل ل ه رب العالمين ا ل ل ه م ص ل ّ وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربشرح لي, الح لي صدري و ي س ر لي أمر ويحل العقدة من لساني يفقه قولي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم, أن لم توفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ร ن บบานาอ ن ติน ن ไ ر ่ละดุนค์กระหั م เมตนะฮีเลนะม์อันอัมร์นา رش ะดะอลอัลฮลาฮห์สุบฮานะห์วะตาลานองคครับเราเป็นการทบทวนความรู้สึก นานๆครั้งนะครับตอนที่เราจะได้เรียนสุรทุลจุมภะวันนี้อินชาอัลลอฮเป็นตอนที่สามทบทวนความรู้สึก <c oughs> ที่หมุนเวียนเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนว่าเส้นกราฟชีวิตของมนุษย์นั้น ไม่มีใครที่เป็นมีชีวิตมีเส้นกราฟชีวิตเป็นเส้นตรงอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราเส้นกราฟมันจะมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นมันมีความเสี่ยงพูดไปมนปันเหมือนหุ้นนะนะเสี่ยง เสี่ยงเสี่ยงชีวิตอ่ะทุกวันที่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตก <c oughs> เรามีชีวิตยอยู่ด้วยความเสี่ยงเสี่ยงว่าอิมานของเราจะเป็นยังไงเสี่ยงว่าเราจะเสียชีวิตอยู่ในสภาพไหนไม่มีใครรู้ความตายเป็นสิ่งที่เราไม่รู้จุดจบและบั้นปลายของเราเป็นสิ่งที่เราไม่รู้อิมานของเรา อามลของเราทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอตฺอปร่ฝากเอาไว้ให้เราดูแลภายใต้สภาวะของความเสี่ยงเวลาที่ความรู้สึกหรือจิตใจของเรารู้สึกผดหูรู้สึกตกตำ่ำถ้าสมมุติว่าเราเป็นผู้ที่อยู่กับอัลลอ เราจะมีทางออกแล้วก็มีวิธีรู้จักวิธีที่จะจัดการเวลาที่ดัชนีกราฟชีวิตของเรามันดิ่งลงต่ํามันเป็นวิถีนะครับที่เราหนีไม่พ้นเวลาที่อิมานเราออนเราก็ต้องหาช่องทางหยุดยกระดับมันขึ้นมาใหม่โดยวิธีการต่างๆและในนอนที่สุด วิธีที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาอิมานของเราก็คือการกลับมาการหวนกลับมาอยู่กับพระดำรัสของ Allah อยู่กับคำสอนของ Allah ด้วยการรำลึกถึง Allah หนึ่งในจำนวนชื่อของอัลกุรอานก็คืออ a ิ i z ใช่ไหมครับ อินน้าเราพูดเนื้อเรื่องนี้ก่อนว่าอินน้าเราพูเอเรงนาอินน้ปเราพูนอเรื่งก่อนวาอินเราพดื้อ่องนี้ก่อานเราพนื้อเรื่ก่นวาอินนาเราพูดเนื้อ่อง ق ี้ก่าอินนาเราพูดเนเรื่องน้ก่อนว่าินนารองนี่อว่าอเรพือ่องน้กาาเพนื่อ้กนาอรอรืนอาิรานือือ z, z, z wow. i k z i <c ười> k z, z i k t ที่ว่าภาษาง่ายๆของเราก็คือ z i k นะแปลว่าอะไร z i k เคย z i k ไหม z i k เราว่าไม่เคย z i k k r เวลาเราพูดถึง z i k เรานึกถึงอะไรอะไรเอ่ยวับมาเข้ามาในสมองเนี่ยเรานึกถึงอะไรก่อน zikket ngate ngate รีบมา ภาษางั้นอัลซิกเอัลซิกร์ก็คกือการรำลึกสภาวะที่หัวใจเราอ่อนแอคือสภาวะที่หัวใจของเราไร้การรำลึกเพราะฉะนั้นจะทํายังไงให้มันรำลึกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งได้อัลกุรอรานคือคําตอบพระอัลกุรอาน ค, คืออัลซิกร์นะฮนุนนซัลนะซิกเความหมายของมันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเอ่อเป็นเป็นเรื่องของการ รำลึกด้วยลิ้นอย่างเดียวแต่ซิกเกจะครอบคลุมความหมายการให้บทเรียนในะการผูกพันกับอัลลอสุขานทวะถานแล้วไม่ต้องไปสังเกตคนอื่นนะครับสังเกต ต, ตัวเองดูวันไหนที่ตัวเองอ่อนแอวันไหนที่ตัวเองฟุ้งซ่านหรือวันไหนที่ตัวเองมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ไปหาหนังสือมาอ่านยังไงก็หา ยังไงก็สู้อ่านะอัลกุรอานไม่ได้เปิดหน้าไหนก็ได้หนังสือเล่มอื่นนี่บางทีเราอ่านหนึ่งเล่มเนี่ยบางทีสรุปได้แค่อะไรเขาเรียกหนึ่งหนึ่งกระดาษหนึ่งย่อหน้าไม่มีหรอกหนังสือที่เปิดแล้วเอามาเป็นคําคมได้ทุกทุกบรรทัดมีไหมไม่มีเปิดบรรทัดนี้ก็โอ้อยนี้คําคมเอามาแชร์ในเฟซบุ๊กได้ไม่มีแต่อัลกุรอานเนี่ยทุกอายะ สามารถที่จะบำบัดหัวใจของเราได้สามารถที่จะเอามาเป็นคําคมได้ทุกอายัดทุกหน้าเปิดหน้าไหนก็ได้แล้วก็เอาอายะขึ้นมามันให้อะไรบางอย่างกับเราได้ประเดินปัญหาก็คือว่าช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับอัลกุรอานเนี่ยมันน้อยมากมันนิดเดียวมากและช่วงเวลาที่เราอยู่กับมันแบบมีคุณภาพจริงๆเนี่ยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ่ นะครับดังนั้นต้องฝากสังสั่งเสียนะกับพวกเราทุกคนว่าทำอย่างไรให้เราได้อยู่กับอัลกิซึร์ให้มากที่สุดไม่ใช่เฉพาะมานั่งมนั่งอ่านมันั่งฟังกันแค่นี้นะครับถ้าได้ฟังที่อื่นด้วยได้อ่านที่อื่นด้วยได้ทบทวนสุรบที่เราเคยเรียนบ้าง ไปแล้วนะครับก็จะเป็นการดีมากเลยทีเดียวพยายามเก็บนะครับไฟเสียงหรือ u t u b e หรืออะไรก็แต่ตามแต่ที่เราสามารถจะทาได้เนี่ยให้มันได้ฟังทุกวันให้มันได้ฟังทุกวันเก็บเอาไว้ในอุปกรณ์ในเครื่องมือหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยเอาไว้ฟังนานๆครั้งนานทีได้เปิดฟังบ้างนะครับมันจะได้ช่วยรักษาระดับไม่ให้ กราฟชีวิตของเราเนี่ยมันดิ่งมันขึ้นแบบมันมันห่างกันมากเกินไปอย่างน้อยก็ให้มันรักษาระดับได้ได้สักระดับหนึ่งนะอย่าให้มันแบบเวลามันดิ่งมันลงแล้วโอ้โหน่ากลัวมากกว่าจะยกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันเวลาที่หัวใจของเราดิ่งลงเยอะๆอะเราจะ หาใครมาช่วยยกมันขึ้นมาให้มันสูงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษ า, าที่จะรักษาระดับหัวใจของเราให้มันอยู่ในถึงแม้ว่ามันจะไม่ตรงมากทีเดียวแต่ก็รักษาให้มันอยู่ในระดับที่โซนปลอดภัยอ่ะมันก็ยังดีนะครับอย่าลืมว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่เราอาจจะไม่รู้ตัวว่าคนอื่นหรือปัจจัยความเสี่ยงที่มันอยู่นอกกายเราเนี่ยมันก็มีด้วย มันไม่ใช่เฉพาะปัปจัยเสี่ยงในร่างกายหรือในตัวของเราอย่างเดียวในตัวของเรามันก็มีปัจจัยที่จะคอยฉุดรั้งเราให้มันให้มันตกต่ำลงก็มีแต่ข้างนอกนี่มันเยอะกว่าข้างในเหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้นะเราไปไหนทุกที่มันมีปัจจัยที่จะคอยฉุดรัง้งฉุดดึงเราให้ให้ไปในเส้นทางที่อลัลลอลฺไม่พอใจอยู่ตลอดเวลานะอุบุสบิลลาฮมินลัลลาหเพราะฉะนั้น นะต้องเป็นห่วงตัวเองด้วยนะครับเพราะว่ากระแสต่างๆที่มันสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาในชีวิตของเราผ่านสื่อผ่านละครผ่านรายการทีวีผ่านเกมโชว์ผ่านแอปพลิเคชันผ่านพวกทุกอย่างนะทุกอย่างเนี่ยคิดดูซิว่ามันให้อะไรกับหัวใจเรานอกจาก จะยิ่งทําให้มันต่ําลงต่ําลงต่ําลงแต่ถ้าเราไม่มีวิธีที่จะฉุดฉุดให้มันขึ้นบ้างหรือรักษาระดับของมันบ้างเนี่ยแย่ yeah, นะครับแย่แ yeah, น่นอนนะครับจะอูะุ้เป็นละเหมือนกันอันนี้เป็นการทบทวนนะครับเล็กน้อยนานและไม่ได้ทบทวนแบบนี้ทบทวนสักหน่อยหนึ่งเผื่อว่าจะได้เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับได้มีกําลังใจที่จะ เรียนอัลกุรอานแบบมีคุณภาพานะครับเพื่อเป็นพลังให้กับหัวใจของเราได้ไปเรื่อยๆ allah, อินชาอัลลอฮฺซุลฮะร์ร่าหตะลาวันนี้อินชาอัลลอฮฺสุรุตุลจุมะฮ์นี้น่าจะประมาณอีกอวันนี้วันนึงแล้วก็อีกตอนนึงก็จะจบละสุรุษสั้นๆได้ประมาณสีตอนอันนนลลอฮฺสุรุตุลจุมะฮ์อายะที่6ครับ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله إ ุลิลลา م ิอั م ล أ َิลาอูบูดีลาห์ละอัลลอฮิอัลลอฮิอัลลอฮิอ จะต ا ل มน์นว์ الموت إن كونتم صادقين ولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله عالم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقكم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 الحمد لله آيات ที่หเจ็ดนเป็นอายที่อัลลอฮฺ تعالى ท้าทายพวกยิวยะฮูดเราเรียนแล้วนะครับรอบที่แล้วที่อัลลอฮฺ تعالى ให้อุทาหอนกับบรรดามุสลิมบรรดามุขมินว่า อย่าลืมนะครับว่าสุรห์นี้กำลังพูดถึงอะไรอยู่ต้นสุรห์นี่พูดถึงอะไรครับพูดถึงฟดุลลอห์บุญคุณของ Allah ที่พระองค์ประทานให้กับประชาชาติของของใครของมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมประชาชาติมุสลิม Allah Taala ให้ประชาชาติโดยเฉพาะคนอาหรับนะที่พระองค์ประทาน นบีมุฮัมมัดลงมาในหมู่คนอาหรับซึ่งไม่รู้หนังสือส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือส่งอัลกุรอานมาให้ท่านนาบีได้อ่านได้สอนได้พลิกฟืน้นจากคนที่ไม่รู้หนังสือคนที่เป็นกุยเป็นคนที่ไม่ไม่ไมีก้ามีราคาในทะเลสายกลายมาเป็นอะไรกลายมาเป็นเหมือนทองคำกลายมาเป็นนักปราศ ลายมาเป็นนัก เ, เปิดเมืองพิชิตเมืองต่างๆท่านอวิธทำได้อย่างไรเหล่านี้คือ فضل ุลลอฮ์คือบุญคุณของอัลลอ์คืออิซจะอิซจาคืออะไรอ่ยอิจหมายถึงเกียรติยศเกียรติยศของเราเนี่ยเพราะเหตุนี้เหมือนที่ท่านอุมารบอกว่านะหนกวมุน أعزى الله بالإسلام พวกเราคือประชาชาิที่ Allah Taala ให้เกีดดยรติด้วยด้วยอิสลามเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา Islam, อ, อิสลามออกไปจากตัวเราหรือเราแสวงหาเกียรติยศจากสิ่งอืน่นถามว่าเราจะได้มันมาไหมเกียรติยศนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นในเมื่อ Allah Taala ให้อิจฉ ให้พลังให้เกียรติยศอันนี้มาให้กับเราแล้วมุสลิมจะต้องห่วงแหนไม่เพียงแค่ห่วงแหนนะต้องดูแลรักษาให้ดีเพราะถ้าเราไม่ห่วงแหนถ้าเราไม่รู้รู้จักคุณค่าของเกียรติยศที่เอาละอะไรให้กับเราเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นศัตรูคอยจะคอยจะอะไรคอยจะมาอยู่เหนือเรา คอยจะมากดขี่เราคอยจะมาอ้างเกียรติยศเหนือมนุษยชาติทั้งมวลนั่นก็คือพวกพวกที่ชื่อว่ายาฮูดเอาไหมเราในฐานะที่เป็นประชาชนมุสลิมยอมไหมให้ยาฮูดมาอยู่เหนือเราเราในฐานะที่เราต่างๆให้เกียรติกับเราแล้วเรายอมลดเกียรติของเราเองแล้วก็เชิญเชิญมาเป็นนายเราเอาไหมครับไม่เอา ถ้าพวกนี้มันเป็นนาเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าอย่าคิดที่จะทําลายสิ่งที่อัลลอฮฺประทานมาให้เกียรติกับเราเนี่ยด้วยการไม่เยแสอัลกุรอานไม่เยแสอิสลามเราะมันจะเป็นเหมือนกับพวกยิวที่อัลลอฮฺให้อุทาหารณ์ในอายะที่แล้วที่บอกว่าเหมือนกับฮิมอาร์ยามิลุอสฟาลเหมือนกับลาที่กําลังทุกหนังสือแปลกมากเลยนะครับเขาบอกว่า ลาเนี่ยสมองอหัวมันจะใหญ่มากแต่มันเป็นสัตว์ที่ถูกเอามาเปรียบเรื่องความโง่เขลาแบบไม่ว่าจะวัฒนธรรมไหน ก, ก็จะโดนโดนหมดอ่ะทำไมพวกนี้เนี่ยเหมือนกับ ย, ยิวเหมือนกับลาตรงไหนยิวหนะเยฮูเนี่ยเป็นพวกที่เอาจริงเอาจังในการสะสมของแปลกๆมาก ของแปลกๆที่ผมว่าหมายถึงว่าไอ้พวก อ, อ, อะไรนะเขาเรียกโบราณวัตถุของที่ไปค้นพบจากอะไรเขาเรียกสถานที่ประวัติศาสตร์เนี่ยพวกนี้จะเก็บหมดเลยคำภีเก่าๆคำภีอัลกุรอานเล่มเก่าเล่มอะไรเนี่ยพวกเนี่ยไปดูเลยพิพิธภัณฑ์นในยุโรปเนี่ยเล่มหมดเลยแต่ถามว่าได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเก็บ หนังสือในโลกมุสลิมตํำรับตําราในโลกมุสลิมสมัยอสมัยอับบาซียะสมัยเยอะแยะไปหมดเลยอยู่ในในพิพิธภัณฑ์ที่อังกฤษที่ฝรั่งเศสที่เนเธอร์แลนด์แต่ถามว่าไอคนที่เก็บหนังสือของอาหรับพวกนี้หรือเก็บตําราดีๆที่เกี่ยวกับอิสลามนี่ได้อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยที่นําไปสู่การพิดาอยากได้รับพิดาอยากจากอัลลอฮ์จุฮ์ฮางจากอัลลอฮ์นี่เป็นการเตือนมุสลิมจ้ะเพราะฉะนั้น ต้องรู้นะครับว่าถ้าเราไม่หวงแหนอิจาของเราเอติยอดของเรามันก็จะมีศัตรูศัตรูจริงๆแล้วจริงนไอ้ศัตรูที่ว่าเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ไม่ใช่ศัตรูตัวจริงนะมันเป็นศัตรูตัวปลอมศัตรูเนี่ยมันไม่ได้เข้มแข็งไปกว่าประชาชาติมุสลิมหรอกเพราะอะไรเพราะศัตรูของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่บนสัตรธรรม ถึงมันจะอ้างว่ามันเนี่ยมีทุกอย่างมันเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดในโลกนี้จริงๆแล้วเป็นคำอ้างที่ไร้น้ำหนักทั้งสิน้นเนี่ยอายัดนี้อัลลออะลัยาลาถาอัลลอฮฺอะฮ า, าว่ายังไงสั่งให้ท่านนบีเนี่ยไปถาตะฮัดดีหรือนักวิชาการนักตศเสด็บางคนบอกว่าคืออัลมุบะฮัลละเคยยนงำว่าอมูบะฮัลลไหมคือถาเลยว่าถ้าสมมติใครถูกหรือใครผิด ขอให้บัลาลงมาในในคนที่คนที่ผิดไปเลยต่อนหน้าต่อตาเลยอันนี้เขาเรียกว่าวบาลาละอัลกรุรอานท้าเลยง่ายง่ายเนี่ยคนจริงมันมันกล้าท้านะครับถ้าไม่ใช่ความจริงอัลกรุรอานไม่กล้าทา้าแต่เนี่อัลกรุรอานทา้าอย่างไงกุลยะอายุห์ละทินะฮะดูนะสตรูตัวปลอมนะมันกลัวกลัวความจริงขนาดไหนมาดูกันจากอัลตัลาบอกว่า กุลยาอิยาห์อุยฮันลดีนฮจงกล่าวเถิดอุมมุ hammad กล่าวให้มุ hammad กล่าวกับใคร ส, สัลลัลลอฮุอะลัยฮิสサラกล่าวกับบรรดายิฮดีว่ายาอิยาห์อุยฮันละดีนะฮะดูอุยฮันละดูหมายถึงใครครับหมายถึงยินะฮะดูเนี่ยก็มาจากมาจากคาว่าบ้างก็บอกว่ามาจากลูกชายคนหนึ่งของนบียะปู๊บที่ชื่อว่ายาฮูส์อันนี้คือที่มาที่ไปของชื่อ เอลย ahu บางก็บอกว่ามาจากคําว่าฮาดายาฮูด ah ซึ่งแปลว่าเตาบัตฮาดายาฮูดู ah เนี่ยแปลว่าเตาบัตตัวเพราะพวกนี้ก่นอนก่อนหน้านีน้ได้อะไรนะทรยศหรือไม่เชื่อฟังท่านนาบีมูซา่าแต่สุดท้ายก็เต้าบัตด้วยการฆ่าตัวเองก็เลยมาจากคําว่าฮาดายาฮูด อี่คือชื่อที่มาที่ไปของคําว่ายาฮูดจงกล่าวกับบรรดายาฮูดว่าอย่างไงอินซัมตุมอันนักุมอุลเยอลิลลาฮิมินดุนินัสถ้าพวกเจ้าอ้าว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดในโลกดุน ья นี้เป็นคนใกล้ชิดพระเจ้าพวกเยาวดนี้มันอ้างว่าตัวเองเป็นคนใกล้ชิดพระเจ้าเอาเลียยังไม่ถึงคนใกล้ชิดวาลี วะลีวะลีก็คือคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดอัลลอฮ์ในอายะอื่นที่าละซาร่าบอกวา่าอะไรนะว่ากลุคนพวกนี้เนี่ยจะเรียกตัวเองว่าเป็นลูกพระยโฮวาคือดีไหมครับเป็นลูกของพระยโฮวาก็คือเป็นลูกของอัลลอฮ์มันอ้างว่ามันเป็นลูกของอัลลอฮ์ อ้อมเป็นคนรักของลอา罢了ท่านนบีก็เลยรับคําสั่งจากอัลลอฮ์ว่าไปท้าเลยไปบอกกับพวกยาฮดีเลยว่าถ้าพวกเจ้าอ้างว่าพวกเจ้าเป็นคนรักของอัลลอฮ์พวกเจ้าเป็นลูกของอัลลอฮ์พวกเจ้าเป็นคนใกล้ชิดของอัลลอฮ์เอาอย่างนี้ให้ทําอย่างนี้ฟะต์มันนูอุลมูตอินคุนจุมซอดีกีนก็ขอให้พวกเจ้า เรียกร้องให้อัลลอฮฺเอาชีวิตไปเลยเพราะอะไรเพราะอะไรครับที่เรียกร้องให้อัลลอฮฺเอาชีวิตไปเพราะจะได้กลับไปหาอัลลอฮ์ไงถ้าอ้างว่าอัลลอฮฺรักจริงจะมีชีวิตอยู่ทําไมอะ่ะไม่รีบรีบกลับไปหาอัลลอฮ์เสียจะได้เข้าสวรรค์ไปเลยอ่าเข้าใจไหมครับอายัดนี้ก็ในเมื่อตัวเองบอกว่าตัวเองเป็นคนรักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยากจะเจอพวกเจ้า พวกเจ้านี่จะได้อยู่ในสวรรค์ก่อนละแล้วยังจะมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานีอีกทำไมมาสิมาท้ากันมาท้าประลองกันว่าถามันนาุลมาวถมันเนุลมาวเนี่ยคำว่าถ้มันนี่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพียงเขาเรียกว่าอยากปรารถนาอยากจะตายเป็นคำสั่งที่ง่ายมากเลยคือไม่ต้องตายจริงๆก็ได้แค่ ให้มีความรู้สึกว่าอยากจะตายเนี่ยถามว่าพวกยูมันอยากไหมก็ไม่อยากนะขณะขอให้อยากจะตายเนี่ยพวกมันก็ยังทำไม่ได้เพราะรู้ตัวเองว่าพวกมันนั้นไม่ได้อยู่บนสัจจธรรมที่แท้จริงไม่กลา้าแม้กระทั่งอยากจะตายก็ยังไม่กลา้าอายะต่อไปจะพูดถึงแต่นี่เป็นคําท้าคําท้าที่ท่านนาบีได้รับคําสั่งจากอัลลอฮ์ให้ไปท้ายอหดีแล้วว่าเนี่ย ถ้าพวกเจ้าบอกว่าพวกเจ้าเป็นพวกจริงเป็นคนที่อัลอาลาฮฺอัลลอฮ์รักจริงมีชีวิตอยู่ทําไมอ่ะรีบ ร, บรบตายไปสไิได้กลับไป อ, ลอาลาัลลอฮฺอัลลอฮ์สิฟัตมานาลุลเมาอุอิงคุนตุมซอดิกีถ้าพวกเจ้าเป็นคนที่พูดจริงในคํำกล่าวอ้าก่านั้นปรากฏว่าเอาเข้าจริงๆคนเหล่านี้กล้าไหมอย่าอย่าไม่ใช่แค่ไม่กล้าที่จะตาย ไม่กล um, ้าที่จะคิดถ so ึงความตายด้วยซ้าไม่กล้าที่จะปรารถนาความตายด้วยซ้ำ سبحان ل ه นะแหละที่ Allah บอกนะยไปว่าแลยัตมนนนหะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ นักต a f s บอกว่าอายัดนี้เป็นมุ ع ซตเข้าใจมุ ع ซัตมครับเป็นมุ ع ซของท่านนาบีสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมอัลกุรอานบอกว่ายิวพวกนี้ไม่มีใครสักคนกล้าปริ ป, ปากที่จะขอความตายจากอัลลอฮตุบาฮวะเลาแล้วปรากฏว่าตั้งแต่วินาทีที่อายัดอัลกุรอานนี้ลงมาจนกระทั่งท่านนาบีสุลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัมเสียชีวิตไม่มียิวสักคนหนึ่งเลย ที่กล้าจะปรารถนาความตายซึ่งมันเป็นไปจริงตรงตามอายะห์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาจริงๆนี่คือเมอร์เจเจหรือ เ, เรียกว่าเอจาเป็นไปตามอายะห์อัลกุรอานนี่จริงๆเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านนาบีมีชีวิตอยู่ไม่เคยปรากฏว่ายิวคนไหนกล้าที่จะประกาศตัวเองว่าฉันอยากตายเข้าใจไหมครับเหมือนกับสุราร์ อบดุลฮับที่เราเคยเรียนมาแล้วตบบัติอยางใดออบดุลฮับวัดหนึ่สุรุห์อับดุลฮับเนี่ย long man นขณะที ab, ha, ni, i, ่อบดุลฮับยังมีชีวิตอยู่แล้วมาบอกว่าอบดุลฮับนี่จะเข้าดารกแน่นอนคือถ้าอบดุลฮับอะจะทาลายดาวะของท่านนบีสุลตลานเนี่ยง่ายมากเลยทำยังไงประกาศรับอิสลามก็เท่ากับเป็นการยังไงครับ เป็นการทำลายด้วะเป็นการกล่าวหาท่านนาบีว่าท่านเป็นคนพูดโกหกเพราะท่านนาบีบอกว่าอบดุลหับจะต้องเข้านารกจะต้องตายในสภาพที่เป็นกาเฟสถ้าอบดุลหับรับอิสลามแสดงว่าท่านใครเป็นคนโกหกแสดงว่าท่านนาบีเป็นคนโกหกแต่สุดท้ายอบดุลหับรับอิสลามไหมไม่รับอิสลามเพราะฉะนั้นนี่คือมูฮ์จิซะเป็นอัจจัลขุรานมีหลายที่ที่เป็นอายัดแบบนี้เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นยิก็เหมือนกัน อายั์นี้เป็นเอกจากเป็นมุ ع จิซักของท่านนาบีสุลลัลละเพราะว่าหลังจากที่อายั์นี้ลงมาจนกระทั่งท่านนาบีเสียชีวิตไม่มียิวคนไหนที่ออกมาบอกว่าฉันขอตายแต่แต้มนวลมากไม่มีเพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยสุบฮานัลลหละคนพวกนี้รู้ดีรู้ดีว่าท่านนาบีนเป็นคนพูดจริงเป็นรอซูลจริงจากอัลลอฮฺฟาลั แล้วตัวเองเป็นคนยังไงตัวเองมีผิดมีความผิดมีบาปอะไรต่างๆยังไงยังไงเยอะแย ะ, ย ะ, ยะมากมายบาปที่ตัวเองทำต่อร่องสบภารต่าลๆไม่กล้าหรอกเพราตายไปเมื่อไหร่แน่นอนว่าเราต่างจะลงโทษจรทีคนพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่เกลียดความตายและอยากจะมีชีวิตอยู่นานมากในสุรุตุลบากระที่ท Allah ทอัลลอฮว่าวัท ah um ah ี่จินนัมอัพราะส์นสอะลยฮัยตินวะมินลลนอัชรก น่าแปลกมากนะครับคนที่ไม่เชื่อ a l ล a h หรือคนที่ไม่ศรัทธาต่อ Allah เป็นคนที่ต้องการจะมีชีวิตยืนยาวในโลกดุนีย์นี้มากที่สุดเพราะว่าเขาไม่ได้หวังอันเคารัตตายไปเขาก็ไม่รู้จะไปทําไมไม่รู้จะตายไปทําไมอะตายไปมันก็หมดมันสองอย่างหมดหรือไม่ก็โดนลงโทษเพราะฉะนั้น ต้องมีชีวิตอยู่ให้นานให้ยาวให้นานให้ได้ลองดูสิในประวัติศาสตร์เนี่ยบรรดาคนที่เอ่อคนใหญ่คนโตในในในใ น, ในประวัติศาสตร์เนี่ยที่เราเคยได้ยินนะคนจีนก็ดีหรือคนแถวอินเดียหรืออะไรก็ดีมักจะมเีเรื่องราวที่เขาบอกว่ า, อ, าอะไรนะไปสแสวงหายายาเขาเรียกว่าอะไรนะยาอายุ <laughs> อย่าอายุวัฒนะไม่ใช่เฉพาะสมัยก่อนสมัยนี้ก็มีที่เขาโฆษณากันอยู่ในในอะไรอ่ะในทีวีในออนไลน์กินนี้แล้วจะไม่แก่ไมมนุษย์ชอบแบบนี้ <laughs> พระกลัวตายกลัวจะแก่กลัวจะเหี่ยวยน่นกลัวจะกลัวสภาพที่ตัวเองจะหมดสภาพในโลกตัเนี้ต้องรักษาตัวเองให้ดูหนุ่มอยู่ตลอดเวลาให้มีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้หวังอะเคระีไงมนุษย์ที่ไม่หวังอะเคระนี่เขาจะตายไปทำไมเขาไม่อยากจะตายเพราะฉะนั้นพวกยิวพวกนี้เนี่ยยอหูดีจะเป็นเหมือนกับที่ Allah ตาลาบอกว่าวลันยะตะมโนห์อบดัไม่ไม่มีทางที่คนพวกนี้เนี่ยกล้าที่จะขอให้ตายคนะรับมุสลิมเรากล้าตายไหมมุสลิมเราหวงชีวิตไหมถ้าเราตายไปตอนนี้ ตอนนี้พร้อมที่จะตายหรือยังพร้อมที่จะตายไรือย่างจริงๆแล้วมุสลิมเองเนี่ยท่านอบีก็ห้ามละเทตมนละเทมาละเท ม, น, ม น, ะนะอะฮะดกุมอะละนะอะฮะดุคุมะลมโตหรือคัมวะละลฮุยซุละตสละฮุยฮัมที่จะให้พวกเรานั้นอ ย, ยอยากตายอยากตายอย่างนี้ไม่ได้นะถามว่าคนที่อยากตายเนี่ยอยากตายเพราะอะไรส่วนใหญ่แล้วที่อยากตายนี่เพราะอะไร เพราะอยากจะไปสวรรค์จริงหรือว่าเพราะอะไรกันแน่ไอ้คนทีハハ่บอกว่าอยากตายอยากตายไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะเบื่อเพราะเพราะปัญหาในโลกคือคนที่อยากตายตอนเนี้ยไม่ใช่เพราะอยากจะเข้าเข้าสวรรค์ขรือเข้าสวรรค์จะอะไรเพราะตัวเองก็ไม่รู้หรอกว่าจะเข้าสวรรค์หรือจะเข้านรกแต่ที่อยากตายเพราะอะไรอยากจะหนีปัญหาเพราะฉะนั้นไม่ได้ แล้วนะเราเราถูกส่งมาอยู่ในโลกดุนยาเพื่อเป็นทดสอบเป็นการทดสอบต้องสู้ต่อไปต้องขอความช่วยเหลือจอากเลาให้เราสามารถสู้ต่อไปได้ถ้าเกิดเหนื่อยจริงๆหรือไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆอยากจะตายมากปัญหามันเยอะเกินจริงๆผมว่าคงไม่มีหรอกถึง ข, ขนาดนั้น นะถ้าเรารู้จักการเข้าหาลแตอาลาจริงๆมันไม่มีหรอกสภาพที่เรามีความรู้สึกว่าอยากจะตายแล้ว อ, อ, อยากจะหนีปัญหาทั้งหมดไม่มีหรอกนะเพราะว่าอิสลามจะมีทางออกอื่นให้กับเราแต่ท่านนบีก็ยังบอกอีกถ้าสมมุติว่าจนตรอกจริงๆแล้วอยากจะขอความตายจริงๆแล้วโอเคได้แต่ให้ขอแบบนี้ใครที่อยากจะตายให้ขอแบบนี้ขอแบบอื่นไม่ได้ ให้ขออย่างไรมันมีดูอาที่ท่านนบีสอนนะพวกเราว่าถ้าสมมุติเกิดเกิดอาการแบบนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอยากฆ่าตัวตายนะฆ่าตัวตายนี่ไม่ได้ขอดูอาเนี่ยได้แล้วขอดูอาว้อย่างไรอัลลอฮมะ بإِلْمِكَ ا ل غ ย و ق د ر ت ك َ ع ل ى ا ل خ َ ق أ ح ي ي ن ي م َ ع ل م ت ا ل ح ي ا ة خ ي ر ا لِي و ت و َ ف ن ي مَعَ إ ذ ا ع ل م ت ا ل و ف ا ت خ ي ر ا ل ي ك ามดูอายาวมากนะครับเนีแค่ท่อนเดียวยังมีท่อนข้างหลังอีก Allah ไม่เบี่ยงลิมิตอะไรเลยยา Allah ด้วยความรับรู้ของพระองค์ต่อสิ่งเร้นลับและคุณธรรมที่เค้าเล่าลับห้าสา่งารถของพระองค์ในการสร้างอะไรอภินิไม่รู้เรื่องการใช้ชีวิตให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตราบใดที่พระองค์รู้ว่าการมีชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวเองนี่ต้องขออย่างนี้ บางทีเราไม่รู้หรอกการที่เรามีชีวิตอยู่หรือการที่เราตายอันไหนจะดีกว่าอัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นบางทีที่เราคิดว่าชีวิตของเราไม่มีค่าเนี่ยเราไม่รู้จริงๆแล้วชีวิตของเรามีค่าอัลลอฮ์รู้เพราะฉะนั้นถ้าอัลลอฮ์รู้ว่าชีวิตของเรายังมีค่าอยู่ให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปอย่าให้ตายและเมื่อไรก็ตามที่พระองค์รู้ว่าความตายนั้นดีกว่าการมีชีวิตก็ให้เข้าพระองค์ตายไปเสีก็ไม่มีปัญหาคือมอบหมายให้ละตาราเป็นคนจัดการชีวิตเรา เราอย่าไปหุกกลมตัวเองว่าถึงเวลาที่ชันต้องตายแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิทธิ์ของเราที่จะมาที่จะมาขอตายตอนนี้แล้วก็จัดการชีวิตของเราให้ตายตายไม่ได้ไนะครับแม้กระทั่งเวลาที่เราอยากจะตายหรือขอให้ตายเนี่ยก็ขอให้ตายในสภาพที่ดีอัลลอฮฺเมื rat, ่อวนนีอัลลอฮฺอัลลอกละลัยฮฺต์ะทิร์คลมุนคารตะฮุบลมคีน و إ ذ า أردت ب ะ و م ف ت ن ะ فتوفني ท ل ي ك غير مفتون ولا บนโลกบนโลกนี si cosas, ้ขอพระองค์ทรงให้ฉ so, ันเสียชีวิตไปโดยที่อย่าไปรวมอยู่กับบรรดาคนที่โดนฟิตนะเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นความตายต้องเลือกตายให้ดีถ้าเราเลือกตายเราต้องต้องตายเวลาะมดชุนนออิลลา أنت م س เห็นไหม นะความตายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่าทําให้มันเป็นเรื่องอย่าทําให้มันเป็นเรื่องเล่นๆกับความตายก็ไม่ได้เหมือนกันต้องตายในสภาพที่เราเป็นเป็นมุสลิมจริงๆอันนี้เป็นชาริอะฮ์ของชาวมุสลิมนะไม่เป็นบทเรียนที่เราได้เราได้รับจากจากบรรดาพวกยูพวกยวนี่ไม่มีทางไม่มีขอหรอกนะที่จะให้ตาให้เพราะว่าไม่มีอยู่ในในเขาเรียกว่าในความคิดความอ่านของขอ ง, ของคนเหล่านี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว สิ่งที่พวกเขาคิดก็คือคิดคนนวัตรกรรมต่างๆศึกษ า, าวิจัยต่างๆเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมีชีวิตอยู่จนกระทั่งนะครับถ้าไปอ่านพวกแนววิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเนี้ยพยายามที่จะรักษานะมีคนรวยบางคนในโลกนี้ที่ตายไปแล้วเนี่ยให้แช่แข็งเอาไว้เผื่อว่าวันหนึ่งจะมีวิทยาการที่สามารถทําให้อะไรนะเขาเรียกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนั่งเนี่ ก็ให้ใช้วิชาความรู้นั้นมาทําให้ตัวเองฟื้นคืนชีพอีกครั้งอันนี้ไม่รู้ว่ามีจริงไหมแต่เคยอ่านมานะครับงานทางพวกนิยายวิทยาศาสตร์เขาก็มีจินตนาการไวริเปื่อยแช่แข็งอะไรเพื่อเราจะเป็นอะไรเป็นอะไรนะนี่ถ้าถ้าอัลกุรอานไม่บอกเราเนี่ยเวลาที่เราไปอ่านเรื่องพวกนี้เนี่ยเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยพวกนี้มันมันเป็นอะไรแต่พอเรามาอ่านสิ่งที่เราแต่ละ เ, เล่าให้เราฟังในะอัลกุรอานเนี่ย มันกลายเป็นเรื่องธรรมดาทาให้เรารู้จักกมพืชรู้หมดรู้ใส่รู้พุงนะฮะของคนพวกนี้เลยว่าเป็นยังไงสุดท้ายอายัดที่เกี่ยวขอ้องอายัดสุดท้ายตรงนี้อัละะลอก็ประกาศ قولإن ا ل م อ ت الذي تفرونه m ิ n โอประกาศนี้แบบสุดยอดมากปิดเขาเราียกปิดดิวจนมุมไม่รู้จะไปไหนแล้ว จงกล่าวเถ oh ิดอ้ม ah ุฮัมมัดอินนัลเมาแทจริงแล้วความตายอัลลดีทัฟิรูนมินที่พวกเจ้าพยายามหนีมันเนี่ยฟะอินห um ูมุลาคีคุมยังไงสักวันหนึ่งมันก็จะต้องมาเจอพวกเจ้าอย่างแน่นอนไม่ต้องหนีไม่ต้องไปหาอายาอายุวัฒนะที่ไหนหรอกไม่มีในโลกดุนยานี้ที่คนมีชีวิตอยู่แล้วไม่ตายไม่มีสักวันหนึ่งมันจะต้องมาเจอกับเรา สมมติระดูนอ ok ีลาอัล ok um, ัยมิลบีว شهاد ะแล้วพวกเจ้าก็จะต้องถูกนํากลับไปยังพระเจ้าอัลลอฮฺสุบะฮฺตะลาผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่เร้นลับและสิ่งที่เปิดเผยไฟอยู่ในบิอุคุมบิมาคุนตุมตะมลูนแล้วพระองค์ก็จะเอามาแฉเอามาประจานว่าตอนมีชีวิตอยู่ในโลกดุนียะนั้น เจ้าทำอะไรไปบ้างแล้วสุดท้ายอะแต่ละก็จะตอบแทนตามสิ่งที่เราทำไปนั่นนี่คือบ้านปลายของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่ความตายจะมาถึงเรารู้ตัวดีนะครับเราไม่รู้ว่าความตายจะมาเมื่อไหร่แต่เราตัวเรารู้ตัวดีว่าปัจจุบันนี้เราทำอะไรและก่อนหน้านี้เราทำอะไร ความตายมาเมื่อไหร่วันนี้พรุ่งนี้ไม่สําคัญเท่าว่าเรารู้สึกตั ว, วเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าเรารู้สึกตัวว่เรากำลังทําผิดอยู่ก็ต้องเตาบัสต้องกลับตัวต่อหลอกชะนาหัวใจแหละถ้าเรารู้ตัวเรายังไม่ใช่คนที่พร้อมจะตายในสภาพที่เรายังมีหลายอย่างที่ก็ต้องปรับปรุงตัวเอง นะต้องต้องทำตัวเองให้อย่างน้อยที่สุดความเมตตาของอัลลอฮฺสวาบจะอะไรมันน่าจะสมควรลงมาอย่างคนแบบเราอ่ะเข้าใจหรือเปล่าครับคือทำตัวให้เป็นให้เป็นคนที่เหมาะสมจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺอย่าทำตัวให้เป็นคนที่ความเมตตาจะลงมาตรงไหนอ่ะไม่รู้จะลงมาตรงไหน มันไม่มีจุดที่ความเมตตาจะให้มันจะลงมาลงไห น, ม, น, ม, นมันไม่ันมันไม่เหมาะที่จะลงมาบนตัวเราอันนี้น่ากลัวความเมตตาของลอตตาลาเนี่กว้างใหญ่ไพศาลมากแต่เราเป็นคนที่ชั่วเป็นคนที่พลาดไม่สามารถจะไม่สามารถที่จะอะไรก็ได้รองรับความเมตตาจากลอตตาลาไดอันนี้ที่อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเราจะเป็นแบบเหมือนแต่เน้ ลฮอลลอฮาละจละบิลลนะสุดท้ายนะครับท้ายที่สุดความเมตตาก็คือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพวกเรานะต้องดูแลรักษาต้องรักษาสภาพของเราให้ให้พร้อมเสมอสำหรับการจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮุ س ب าน ن ه ะนะครับอย่าได้แข็งข้อ ลองคิดดูเราลองคิดโดยใช้เขาเรียกว่าปัญญาเล็กๆของเราเนี่ยว่าคนแบบไหนที่อัลาลอฮฺจะเมตตาและคนแบบไหนที่อัลาลอฮฺจะสาบแช่งหรือไม่เมตตาอัลลอลาบอกไว้ไหมอัลาลอฮฺบอกรบบอาาหมมาการื ย, ราารยังว่าคนแบบไหนที่อัลลอฮฺจะให้ความเมตตาการอภัยโทษของพระองค์อัลลอฮฺบอกได้ยังว่าคนแบบไหนที่อัลลอฮฺจะปิดกั้น ที่ไดยัดของพระองค์จะปิดกั้นการอภัยโทษของพระองค์บอกไว้หรือยังครับถ้าอัลลอลาบอกแล้วเรารู้แล้วก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่กับกลุ่มคนที่เป็นคนที่จะได้รับความเมตตาจากอัลลอ์ไม่อย่างนั้นแล้วอัลลอฮฺอัลัมุนบิษฏาลิมีเหมือนกัที่อาัาลลอฮาบอกว่าพระองค์รู้ดีว่าใครเป็นคนที่ซอเลมใครจะเป็นคนที่ซอเลม เราจะไม่ให้เหตุยัก์จะไม่เปิดทางให้กับพวกเขาอีกนะอุษุบิลละฮ์มิบัอินชาอัลลอฮ์นะครับสุรัตุลจุมฮาอินชาอัลลอฮ์ครั้งสุดท้ายหรือคราบสุดท้ายรอบหน้าเราจะไม่ได้ดูเราจะเราจะมาสรุปทั้งหมดนะครับเราจะได้ดูคําสั่งที่เป็นคําสั่งสําคัญในสุรานี้สําหรับชาวมุสลิมทุกคนนะทําให้เราได้สํานึกถึงความสําคัญของวันศุกร์ด้วยนะครับว่าทําไมที่เลาแต่ละให้ความสําคัญกับวันศุกร์ มันมีภารกิจอะไรที่มุสลิมต้องให้ความสำคัญกับวันศุกร์ชอละนะครับในส้วโรทูลจุมะตอนสุดท้ายวีเมนละอิสูฮ่าอัลละละว่าฝักนั้นแล้วอยาคุมวัลลอฮอลอลัมลลัลลอฮนบีนมุฮัมมัดะอลอะ ص الله ا ب ีเัลลัม سبحان อัลลอฮฺข้ารับบิลกิจเตะมาซิฟุลล سلام على المرسلين فالحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ر وال ح م ه, ة الله و ر ك ا ت